นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอัตมาพระไปบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนไหนโศกทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณหมอรัตะพงศ์ครับกลับนามัส ก, การและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์นัฐพงศ์กระดกวิรุณจากกรุงเทพครับเราก็จะมาพบกับท่านทุกสัปดาห์ตอนนี้เป็นเอพิส od ที่ทลายคุณหมอ49ครับอารยบเกวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของแผนที่ของชีวิตนะตอนที่3ม เนื่องา <c oughs> ตอนแรกเราได้พูดถึงเรื่องชีวิตคู่ใช่ไหมคนคู่จะเลือกคู่อย่างไรเนเมื่อตอนที่สองเราได้พูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยและก็เรื่อง <c oughs> ชีวิตคู่อย่างเพิ่มเติม <c oughs> ทีนี้หมอท <c oughs> วีพงศ์เคยดูโฆษณาไหมที่เขามีโฆษณาบอกว่ า, าจนเครียดแล้วก็กินเหล้าแล้วก็จนแล้วก็เครียดแล้วก็กินเหล้า เห็นประจำเลยครับอทางสสสเขาจะโปรโมทจนเครียดกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็จนใช่ไหมครับจนแล้วก็เครียดใช่ไหมเครียดแล้วก็เลยไปหาเหล้ากินนี่แหละคือความทุกข์ของผู้บริโภคกามในโลกเพราะฉะนั้นที่เราจะมาพูดเรื่องคนบริโภคกามนะอารมาไม่ได้เชี้ยาให้ไปบริโภคกามแต่ละมาจะชี้ให้เห็นโทษแล้วถ้าคุณปฏิบัติอย่างที่เราได้พูดกันมาในสองสามตอนแล้วก็จะพูดต่อไปจนถึงปลายปีเนี่ยคุณก็จะ หลบหลีกจากโทษของมันพอไปได้อยู่พอไปได้อยู่เพราะฉะนั้นมันมีโทษแล้วจะต้องเสพยังไงคือมันไม่ควรเสพเลยของมีโทษอ่ะเข้าใจัหมของมีโทษคุณไม่ควรเสพเลยคือคุณจบเลยแต่ถ้าคุณต้องการเสพนะเสพค่อยๆเสพชะลอชะลออย่าให้มันตายไวเราจะพูดเลยในลักษณะนี้หรือว่าเสพโดยวิธีไหนถึงจะเรียกว่าเออไม่ สูญสิ้นความเป็นตัวงตัวเองไม่อยู่ในอกุศลธรรมเพราะฉนเราก็จะมาพูดกันต่อในประเด็นนี้เมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกสักนิดหนึ่งว่าต้องห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีมีท่านผู้ฟังมีคอมเมนต์บอกว่าเอ๊งี้ต้องเลี้ยงด้วยลําแข่งหรือไม่เหมือนกับตื่นจะโหดหรือเกินต้องมีไว้เรียวไม้อะไรใช่ไหมก็ไม่ต้องเลี้ยงด้วยลําแข่งหรอกเลี้ยงด้วยความรักความเมตตานี่แหละแต่ว่าเราจะต้องมีความเข้มแข็ง ลำแข้งในที่นี้คือไม่ใช่ว่าอัดลูกด่าลูกไม่ใช่เราด้วยความเข้มแข็งนะเข้มแข็งในที่นี้ก็คือว่าเราจิตใจของเราต้องเข้มแข็งไม่ไหลไปตามสิ่งภายนอกนะเขาว่า<แ>เล่นเกมดี<แ>เขาว่าเออต้องยอมลูกดีวุ้มันก็ต้องบังเเรื่องเท่านั้นเองเราต้องห้ามนิสัยที่ไม่ดีของเขาเราต้องรัก<แ>ลูกเหมือนช่างมอปั้นหมอดมือหนึ่งต้องประคองอยู่ข้างหน้าข้างนอกมือหนึ่งต้องโกด<แ>บีบอยู่ข้างใน เพื่อให้มันขึ้นรูปได้พ ร, ระพุทธเจ้าก็ยังเคยบอกว่าช่างหม้อเนี่ยเขาต้องทําอย่างทนุถนอมกับหม้อที่ยังที่ที่เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าคือตอนที่ขึ้นรูปเนี่ยตอนที่ขึ้นรูปเนี่ยเออเราจะต้องบีบกดหัดต้องบีบต้องกดใช่ครับให้ใหได้รูปร่างที่สวยงามใช่ทีนี้พอตอนที่เขาเป็นคนดีแล้วพอตอนที่เขาเป็นคนดีแล้วเราค่อยทนุถนอมยกย่องบูชาได้อันนี้ถึงจะถูกอืมครับ อย่างผู้ใหญ่ที่เขาดีๆมีศีลธรรมเป็นคนที่ เ, เป็นที่เคารพของลูกหลานเนี่ยแมายเราต้องยกย่องเชิดชูอันนี้คือการกระทำอย่างช่างหม้อกับหม้อที่ยังที่สุกแล้วแต่ตอนที่มันยังดิบอยู่ยังไม่สุกเนี่ยเราจะต้องอคอยดูแลขนาดขนาดนี้ว่ า, าการสุกบางคนก็จะคิดว่าเออออกเรือนแต่งงานเนี่ยคือว่าถือว่าคุณสุกละซึ่งอ า, อาจจะมาเคยได้ข้อมูลมาว่าคนที่เป็น จะเป็นทูตไปต่างประเทศอ่ะนะคุณจะต้องมีภรรยาก่อนอื<ม>คือเป็นโสดไปไม่ได้อ อ, อันนี้ถ้าใครอยู่กระทรวงต่างประเทศคงอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าเป็นข้อที่จริงหรือไม่ครั บ, ค, รบคือเขาเปรียบเส ม, มือนว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคือชื่อว่าชีวิตสมบูรณ์ละอะไรต่างๆนะแล้วก็ออกเรือละสีว่าสุขดิบละเป็นวันสุขดิบอย่างนี้นะอ่าซึ่งจริงๆแล้วเป็นยังไงขุนพุทธเจ้าก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อตอนที่แต่งงาน เพราะฉะนั้นชีวิตของคนโสดล่ะทังนั้นฉันเป็นคนโสดนี่ฉันฉันถือว่าไม่สุขเลยไงไม่สุขยังไงเป็นคนดีได้ไหมด้วยระบบที่ผู้เช้าสอนก็ต้องบอกเลยว่าได้พระเจ้าเคยพูดถึงหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของช้างมาตังคะก็เคยพูดถ้าเราเคยดูหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยอย่างเช่นพวกหนังขบอยหนังที่เกี่ยวกับฮีโร่อะไรพวกนี้นะเราจะพบว่าฮีโร่เนี่ยไม่ได้มาอยู่ปะปนกับชาวบ้านธรรมดา แล้วเจะหลีกไปอยู่เองเดี่ยวๆซะส่วนใหญ่ครับตั้งแต่เรื่องตั้งแต่สมัยคาร์บอยแล้วใครดูใครดูหนังคารบอยเนี่ยอฮีโร่คนที่มีวิชาความรู้คนที่เก่งเนี่ยนะเขาจะไม่อยู่ในหมู่บ้านเขาจะมาอยู่เดี่ยวๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่อยากให้ใครมากวนเพราะเก่งๆเนี่ยเขาเข้าไปอยู่อยู่ตามเดี่ยวๆตามที่มันหลีกเล่นหลีกเล่นอ่าอยากใคอย่ามากวนมากเพราะมันจะกระเทือนเขาก็จะเหมือนช้างมาตังคะ พระพุทธเจ้าพูดถึงช้างมาตังคะที่เป็นลักษณะว่าโอ๊ยรำคาญด้วยช้างพังช้างพลายที่มันมาคอยกินแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเลอะเทอะไปหมดหักกิ่งไม้บ้างทําทางไม่เรียบร้อยบ้างลงน้ําไปน้ําขุ่นบ้างพวกลูกช้างอะไรต่างเล่นกระเถิบกระคัอกอะไรไม่ดีเราก็หลีกไปอยู่คนเดียวดีกว่าเป็นช้างมาตังคะหรือว่าเรื่องของหนอนที่เราได้เคยพูดไปนะว่าอนอ น, น, อนกับเทวดา ค, คือกรณีที่เหมือนกับ เป็นนอนเนี่ยถ้าเราเอาสัตว์เดรัจฉานต่งตางๆมารวมกันมันก็มากกว่าเทาวดาอยู่ดีถามว่าคุณจะตาม ค, คนหมู่มากเหรอใช่ไห ม, มทีนี้แล้วชีวิตของคนโสดจะต้องทําอย่างไรคือคนโสดกับคนแต่งงานเนี่ยก็จะต่างกันแค่เรื่องของทิศทิศเดียวนั่นก็คือคทิศเบื้องหลังนะคือมารดา อ, ค, อคือภรรยาสามีแล้วก็บุตรตรงนี้จะไม่มีใช่ไหมซึ่งถ้าเรามามดูในเรื่องของเพื่อนเราพบว่าหน้าที่บางอย่างเนี่ยเพื่อนเนี่ยต้องทําได้ซึ่งอย่างเช่นว่า อุปกระซึ่งการลการจัดทําการงานอย่างดีหรือว่าหน้าที่ของสามีเช่นว่ายกย่องเธอไม่ดูหมิ่นเธอเนี่ยหน้าที่พวกนี้จะไปปรากฏในหน้าที่ของเพื่อนที่ว่าเป็นเพื่อน8อย่างนั้นเหมือนกันขอไปเพื่อน4 อ, อย่างที่เป็นเพื่อนดีเพราะฉะนั้นคนที่โสดเนี่ยกับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าลักษณะของการมีเพื่อนเท่านั้นเองทีนี้เพื่อนตรงนี้เราจึงต้องขอพูดถึงเรื่องเพื่อนซะหน่อยหนึ่งก่อนว่าไอ้เพื่อนทั้งหมดเนี่ย มันมีกี่แบบกันแน่แล้วก็หน้าที่ของเพื่อนเนี่ยเราจะทําอย่างไรเพื่อนเนี่ยผูู้ชาบอกเป็นทิศเบื้องซ้ายนะทิศเบื้องซ้ายเนี่ยคือมิตรอมมาดมิตรอมมาดในที่นี้เนี่ยมิตรก็คือเพื่อนใช่ไหมอมมาดเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ที่ปรึกษานะที่ปรึกษานี่คือปุรโรหิตอมมาดเนี่ยคือผู้ที่เหมือนกับช่วยเหลือเราเช่นว่ายอย่างไงล่ะอย่างคู่ค้าในคอนแทคเตอร์เป็นเพื่อนร่วมค้าอย่างเงี้ยรรเรียกว่าอมมาด อย่างมนต์พงมีเพื่อนที่เป็นหมอมีรุ่นพี่ที่เป็นหมออย่างเงี้ยพวกนั้นคืออมัดแล้วเพื่อนที่เราสนิทด้วยเพื่อนที่เราคบค้าอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันอันนี้ก็เป็นมิตรธรรมดาหรือบางทีคนที่ขายของให้เราพวกขายอุปกรณ์การแพทย์พวกนี้ก็เป็นอมัดของเราเพราะฉะนั้นอมัดเนี่ยหมายถึงคู่ค้านมิตรก็คือมิตรเพื่อนทั่วไปเพราะฉะนั้นมิตรอมัดเนี่ยพระพระเจ้าให้อ่าปฏิบัติเหมือนกัน นันคือเราควรจะปฏิบัติกับเพื่อนเนี่ยคืออย่างไรอันแรกเนี่ยก็คือว่าด้วยการให้ปันนะมีการจาระมีการบริจาค <แก S 1> มีการแบ่งปันให้<ก>นะไป<ก>ไหนก็ซื้อของมาฝากบ้างนะพูดจาไพเราะคุณต้องพูดดีกับเขานะ<ก>ด่ากันมากกันนี่เสียเพื่อนแน่นอนนะัคือ<ก>เพื่อนเนี่ยมีคนเขาเคยพูดว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาใช่ไห ม, อ, มอันนี้พูด<ก>สอดคล้องกับพระพุทธเจ้านะเพราะว่ามิตรสหายอมมาดเนี่ยเราต้องพูดจาไพเราะ แล้วก็ด้วยกา ร, รประพฤติประโยชน์นะประพฤติประโยชน์คือเป็นคนที่ใช้งานได้หมายความว่าเอื้อเฟื้อเ อ, เ อ, เอเื้อกลุ่แก่เพื่อนวางตนเสมอกันนะอันที่สี่วางตนเสมอกันนี่คือว่าเสมอกับฐานะที่เรามีนะคุณ<อ>มีหน้าที่อะไรคุณต้องทำอย่างนั้นวางตนเสมอกันนี่ไม่ใช่หมายความว่าคนขับรถแตนะ่คุณขับรถอยู่พระเจ้าสอนให้วางตนเสมอกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันตีเสมอนายเล ย, เลยอ่าไม่<อ>ใช่ วางตนเสมอกันในที่นี้คือเสมอกับในหน้าที่ของเราออืคุณมีหน้าที่อะไรคุณต้องเสมอตรงนั้นอคนขับรถใช่ไหมคุณมีหน้าที่เป็นลูกจ้างคุณต้องเสมอตรงนั้นเข้าใจไหมคุณเป็นเพื่อนใ ช, ใช่ไหมคุณมีเพื่อนทั้งหมดสี่อย่างเพื่อนมีอุปการะเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนแนะประโยชน์เพื่อนมีความรักใคร่พวกนี้คุณเป็นเพื่อนแบบไหนคุณวางตัวเสมอตรงนั้นะแล้วก็อันที่ห้าคือด้วยการไม่กล่าวคําอันเป็นเครื่องให้แตกกันเช่นว่าพูดถึงเรื่องคนนั้นกับคนนี้ ให้คนนี้แต่กับคนนั้นนั่นแสดงว่าคุณไม่ใช่เป็นเพื่อนดีๆนะคเข้าใจไหมทีนี้ว่าพอมีคนมาปฏิบัติกับเราอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคือเราต้องปฏิบัติกับคนอื่นอย่างนี้นั่นะแล้วคนนั้นเนี่ยเขาควรจะปฏิบัติกับเราหรือเราควรจะหรือถ้าใครใครปฏิบัติกับเราด้วยการให้ปันด้วยการาพูดจาไพเราะเนี่ยเราต้องปฏิบัติกับเขาในลักษณะที่ว่ารักษาคนนั้นถ้าเขาประมาทนั่เช่นไปดื่ ม, มเหล้ามีเพื่อนชั่วเราต้องคอยเตือนเขา บางทีไปขึ้นเวทีดา่าไปประท้วงกันในลักษณะที่เริ่มเริ่มเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วเราต้องคอยเตือนเก่านาที่สองคือรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทอันที่สามเป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัยอันที่สี่เนี่ยไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายแล้วข้อที่ห้าก็คือนับถือสมาชิกในวงของมิตรไม่ทอดทิ้งเพื่อนในยามมีภัยเนี่ยอย่างเช่นว่าน้ําท่วมะเป็นอย่างดุคภัยแต่เพื่อนบางคนก็พึ่งไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีเราก็พึ่งได้ในหมู่บ้านถ้าเผื่อว่าเราสามารถยังกั้นน้ำอยู่ได้เราก็คอยเป็นศูนย์กลางในการที่จะจะจ่ายขออย่างนี้เป็นต้นนะนะอันนี้ก็ เ, เ, เป็นที่พึ่งแก่มิดเมื่อมีพัยไม่ทอดทิง้งในยามมีอันตรายในยามมีอันตรายเราก็พึ่งได้ในยามคือไม่ทอดทิง้งเขาในยามมีอันตราย ท, ที่พึ่งเนี่ยหมายความว่าให้เป็นที่พักพิงอย่างวัดป่าดอนไสศือเราไม่มีพัย ก็ใช่ไหม ค, คือไม่ทอดทิ้งในายามมีอันตรายหรือเป็นที่ทพึ่งแก่มิดเมื่อมีภัยเนี่ยไม่เหมือนกันคือเป็นที่พึ่งแก่มิดเมื่อมีภัยเนี่ยคือเราเราไม่มีอันตรายเขามาพึ่งเราเราให้เขาพึ่งได้ไม่ทอดทิ้งในายามมีอันตรายคือเวลาเรามีอันตรายเนี่ยเขามีด้วยเราไม่ทิ้งเขาอ๋อสมมติฉันก็น้ําท่วมอยู่เธอก็น้ําท่วมอยู่เอางั้นฉันเอาถุงใส่ให้เธอด้วยฉันกับข้าวฉันพอแบ่งปันเธอด้วยอันนี้ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายแต่เป็นที่พึ่งเมื่อมีภัย นะก็คือว่าสมมติเราอยู่ภาคอีสานเราไม่ท่วมเขาจะมาพึ่งเราเราให้พึ่งโอเคเข้าใจนเนาะแล้วก็นับถือสมาชิกในวงของมิตรอ <c oughs> เขามีเมีย ม, มีลูกนะคือเราต้องทําหน้าที่ของเขาอ่ะในวงของเขา <c oughs> เช่นว่าเขามีลูกใช่ไหม <c oughs> เพราะเราต้องทําหน้าที่ของพ่อหรือแม่ถ้าเราเป็นพ่อหรือแม่ของเพื่อนเรา <c oughs> ที่ถูกต้องในในลักษณะที่เหมาะสมในอย่างทีเพื่อนเราไม่สามารถทําหน้าที่พ่อแม่ได้ตอนนี้ ใช่ไหมถ้าเรานับถือสมาชิกในวงของมิตรเอาเราไปดูแลพ่อแม่เขาให้เราไปดูแลลูกเขาแทนให้ทําหน้าที่ที่เราควรกระทําตรงนั้นได้ครับอ่าอันนี้คือเพื่อนอันนี้คือ ค, คือแค่เบสิคเบสิคนะห้าอย่าง5้าอย่างในระหว่างเพื่อนด้วยกันแต่นี้ก่อนที่จะลงรายละเอียดลึกในเรื่องของเพื่อนเอารเราก็จะพูดถึงเรื่องทิศหกอีกต่อไปอีกนิดหนึ่งก่อนต่อไปเมื่อตะกี้ที่เราข้ามมาคือทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ใช่ไหมกับศิษย์ ถ้าเราเป็นอาจารย์เขาเนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วถ้าเรามีหน้าที่เป็นอาจารย์อาจารย์ในที่นี้คือไม่ได้หมายว่าคุณต้องเป็นอาจารย์ในสอนในหมหาวิทยาลัยหรือว่าในโรงเรียนในแบบที่เป็นทางการอาจารย์ในที่นี้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสถาบันการศึกษาที่เป็นทางการแต่ว่าเขาก็ายกย่องนับถือกันเป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นเองอาจารย์ในที่นี้ก็คือว่าคนที่พอจะบอกสอนสิทธิ์ได้มีคนที่มาครบนับถือหรือว่าคนนี้เขานับถือเราเป็นอาจารย์อ่ะเพราะฉะนั้นเราเราจะเราจะทําหน้าที่กับเขาอย่างไร หรือว่าถ้าเราไปนับถือคนนี้นะเขาอาจจะไม่ใช่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาแต่เรานับถือเขาเป็นครูบาอาจารย์ในการที่จะสั่งสอนเราได้ในที่นี้อาจจะเป็นครว่าก็ได้เป็นพระสงฆ์ก็ได้คือพระสงฆ์ทั่วไปก็ระดับหนึ่งะพระสงฆ์ที่เป็นอาจารย์เราก็ระดับหนึ่งะจะไม่เหมือนกันในพระสงฆ์ที่เป็นทั่วๆไปเนี่ยคือทิฏเบื้องบนนะเราต้องปฏิบัติกับพระสงฆ์ทั่วไปในลักษณะนั้นนี่คือหน้าที่ของเราแต่ว่าพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องอีกแบบหนึ่ง ก็คือต้องแบบอย่างที่จะพูดต่อไปนี้นะคือเราต้องลุกขึ้นยะืนรับในลุกขึ้นยืนรับเนี่ยคือเวลาท่านผ่านมาต้องยืนตะเบะเหมือนกับนายทหารเนี่ยผู้บังคับบัญชาเดินผ่านมาต้องตะเบะอันนี้อันที่น <pt> 1นึ่องอันที่2นี่เข้าไปยืนคอยรับใช้รับใช้กับตะเบะนี่ไม่เหมือนกันนะคือบางทีเราไม่ได้มีหน้าที่คอยรับใช้อย่างประสงค์อย่างเงี้ยมาคอยอุปถากหลวงพ่ออย่างเงี้ยพระที่ไม่ได้ทําหน้าที่อุปถากก็มีนะพระที่ไม่ได้ทำหน้าที่อุปถา ก, กนะท่านเดินผ่านมาเราต้องลุกขึ้นยืนรับ อย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าจัดถ้าเป็นประสงค์ก็ต้องจัดที่นั่งอาสนะเตริมน้ําใช้น้ําฉันให้จบครับนะแต่ถ้าคุณมีหน้าที่อุปทา ค, คุณก็ไปคอยนวดคอยพัด เ, เติมน้ําอะไรต่างๆอันนี้ก็เข้าไปยืนคอยรับใช้นะอันที่สามด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งนะด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งอ่านะแล้วก็เชื่อฟังอย่างยิ่งนี่คือท่านบอกอะไรก็ไปทําครับบางทีมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแม็กซ์เทล่ายิ่งทำแล้วมันไม่เวิร์กแน่ ย่งมีมครั้งหนึ่งที่พระฝรั่งองค์หนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งของเขาเนี่ยสั่งให้ไปทำประยกของสักอย่างหนึ่งนี่แหละมัง้งซึ่งมันมันยกไม่ได้ด้วยคนธรรมดาคือค <น S 1> ยกไม่ได้ด้วยคนสักสามสี่คนแต่ท่านก็ไปทําท่านสั่งก็ทำนะพอทําเสร็จแล้วยกไม่ไหวนะก็ต้องหาอุปกรณ์มาช่วยจึงค่อยไปเรียนท่านว่าเออมันยกไม่ไหวนะคือบางทีเนี่ยเป็นอุบายในการที่ท่านจะสอนเราเพราะนเราควรที่จะเชื่อฟังอย่างยิ่ง เพื่อทำทำแล้วไม่สําเร็จอ่ะเพื่อสอนเราเป็นเป็นเฉพาะเจาะจงเป็นการตั้งใจอย่างนี้เป็นต้นก็มีเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเถียงเราพูดเป็นคนบ้าแยกสอนยากเราจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นอืมให้เชื่อฟังอย่างยิ่งให้ไปทําอะไรก็ไปทําอย่าดื้อดึงดื้อด้านถ้าเรานับถือคนนี้เป็นครูบาอาจารย์นะอันที่สี่ด้วยการปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยจะต่างกับเข้าไปยืนคอยรับใช้เนี่ยตรงที่ว่าอปฏิบัติเนี่ย คือคือปฏิบัติทุกอย่างอ่ะเอาผ้าไปซักให้บีบนวดเข้าไปยินคอยรับใช้เนี่ยก็คือคุณเป็นเวียญาณในการเข้าไปรับใช้เข้าใจไหมคือเวียญาณในการเข้าไปรับใช้ปฏิบัตินี้ก็คือลึกขึ้นละเอียดกว่าใช่เช่นอาจจะอ่าอริยาณอย่างเช่นหลวงตาหมาบัวอย่างเงี้ยชิดอุจรปสุวะของหลวงตาหลวงปู่มั่นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็พอถึงเวลา ก็ไปยืนคอยรับใช้คือท่านก็จะเขา ย, ยืนอยู่ข้างล่างคอยกํากับผ้าใหม่หรือผ้าอื่นๆที่ทําหน้าที่อยู่ข้างบนนะนี่คือค่ อ, ค อ, คอยไปยืนคอยรับใช้พอท่านเดินผ่านมาในวาระที่ท่านไม่ได้เป็นเวรท่านก็ยืนลุกขึ้นยืนรับอย่างนี้นะแล้วกอ็อันที่5ด้วยการศึกษาศิล ป, ปวิทยาโดยเคารพนะอันนี้คือหนะ้าที่ที่เราต้องปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สมมตุตินักเรียนคุณเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัย คนนี้เราล้ำถือว่าเป็นครูบาอาจารย์จริงๆอาจารย์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุูสอนตามวิชาการเท่านั้นนะคือในภาษาอีสานนี่เขาจะมีครูในตำแหน่งครูแล้วถ้าครูคนไหนนะเป็นที่รักเคารพของนักเรียนมากๆเลยนะไม่ใช่สอนคแค่เรื่องวิชาการนะยังสอนให้นักเรียนเป็นคนดีนักเรียนมีนปัญหาครอบครัวก็คอยไปช่วยเหลือที่บ้านคุยกับผู้ปกครองเรื่องการดํารงชีวิตต่าง ๆ, ๆ, ๆเขาจะมีตําแหน่งเรียกว่าพ่อครูใหญ่ พ, พ่อครูใหญ่คือล้าถือเป็นพ่อด้วยเลย เป็นพ่ อ, อ เ, เป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยนะนคือครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละเราต้องคอยไปทําหน้าที่นี้อ่าโดยการลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้เชื่อฟังอย่างยิ่งปฏิบัติ ด, ดูแลศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพอ่าเข้าใจเนาะเข้าใจครับแล้วถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเราเป็นครูมีตําแหน่งในสถาบันการศึกษาหรือว่าไม่ใช่สถาบันการศึกษาก็ได้ถ้าเราทําหน้าที่นี้เราก็จะมีก็เรียกว่า คยสอนคนอื่นได้นะอันดับแรกก็คือแนะนําอย่างดีแนะนําอย่างดีเนี่ยจะต่างกับให้ศึกษาดีตรงที่ว่าคือเรื่องของหมวดวิชานั้นแนะนําอย่างดีเนี่ยเช่นว่าสมมติสอนธรรมะใช่ไหมก็สอนสิ่งที่เป็นพุทธประชนะนะอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธประนะครับอันที่2คือให้ศึกษาดีให้ศึกษาดีนี่คืออุปรกรณ์การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเรีย น, นาการศึกษาเช่นบ่าดินสอปากกาโต๊ะที่นั่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกนี้จะอันอยู่ในให้ศึกษาอย่างดี แล้วก็อันที่สามนะัคือบอกศิลปวิทยาโดยสิ้นเชิงนะันคือไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการโอบปูมาไว้ อ, อ, อทาให้เป็นที่รู้จักในมิสหายาคือแนะนําเพื่อนฝูงว่าอันนี้เป็นลูกศิษย์ของฉันเป็นลูกศิษย์ดีอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็อันที่ห้าคือทําการคุ้มครองให้ในทีต่ตั้งปวงคือตรงเนี้เป็นหน้าที่ที่พ่อครูใหญ่เนี่ยจะได้รับคือหมายความว่าอย่างเด็กอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องว่าพ่อแม่ต้องทํำยังไงเพื่อนต้องดูแลยังไง ผสมต้องทํำยังไงพ่อครูใหญ่นี่ก็สอนหมดทุกอย่างอืมอ่าคือทําการคุ้มครองให้ในทิศท้ทงปวงคือไม่ใช่แค่สอนนะสอนนี่คือแนะนําอย่างดี<ช>คุ้มค ร, ครองให้เนี่ยคือป้องกันอันตรายไม่ให้ทิศนั้นเป็นภยัยถ้าทิศนั้นจะเป็นภยัยเราก็คอยมาดูแลช่วยเหลือ อ, อย่างบางสุดยอดเลยนะครับตำแหน่งนี้อพ่อครูใหญ่ไงเขาจะทําหน้าที่นี้คือ<ำ>คือหมายความว่าถ้าครูคนไหนทําหน้าที่นี้เนี่ยนะ ก็จะเป็นเด็กก็จะยกย่องว่าผู้นี้เป็นพ่อครูใหญ่ยยของฉันอครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรจะต้องไปทำหน้าที่นี้กับบุคคลคนนี้อัจจะเป็นพระสงฆ์ก็ได้เป็นคารวาสก็ได้แต่นี้จะข้ามมาหน้าที่หน้าที่ของพระสงฆ์เพราะว่าได้พูดถึงตรงนี้เหมือนกันว่าพระสงฆ์ทั่วไปที่เราไม่ได้นับถือว่าท่านเป็นครูอาจารย์นะเรา ต, ต้อง<น>มีหน้าที่กับท่านด้วยการมีเมตตาทางกายวาจาใจเพราะเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระดีพระไม่ดีหรือว่าท่านอาจจะเป็นพระที่ดีก็ได้ แรกจะพระไม่ดีก็ได้แต่ถ้าท่านเป็นพระที่ดีขึ้นมานะแต่กิริยาท่าทางภายนอกของท่านอาจจะวกวักโบกเวกไม่เรียบร้อยบ้างหถ้าเราคิดชั่วนะเราซวยเลยจะเป็นบาปหนักพราะเราต้องมีเมตตาทางกายวาจาใจในอย่างดีอันนี้คือ3อย่างแล้วนะอันที่4ก็คือด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับแล้วก็อันที่5ด้วยการทอยถวายอามิสสถานหนะ้าอย่างนี้ที่เราต้องปฏิบัติต่อสมณะทีนี้เราถ้าพระไม่ดีล่ะทำยังไง แต่เราเห็นรู้แล้วว่าพระองค์นี้ไม่ดีแน่นอนแล้วคือเราก็ไม่ยกย่องพระองค์นี้เป็นครูบาอาจารย์ด้วยดังนั้นเราต้องมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะอันนี้แน่นอนนี่คือจิตของเราเราต้องควบคุมแล้วก็ที่พระริชาบอกว่าให้ไม่ให้ปิดประตูคือยินดีต้อนรับเนี่ยแต่เราไม่ได้การต้อนรับท่านมาในบ้านของเราคือยังไงก็ต้องต้อนรับอ่ะมรทวงคือพระสงฆ์มาถ้าท่านมาถึงประตูบ้านก็ต้องต้อนรับต้อนรับตามธรรมเนียมนะระดับที่เหมาะสมนะเช่นว่ามีการ คอยถวายน้ํำดื่ม น, น, น้ำใช้น้ําฉันนะมีน้ําล้างเท้าอันนี้ทําให้ถูกแค่นั้นเองนะทีนี้เรื่องคอยถวายอ ม, มิสตานนะถ้าคือยังไงพระสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารทํากินเองได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคอยถวายอ ม, มิสถานก็เป็นสิ่งที่ที่ดีทีนี้ก็ถวายให้มันถูกระดับกับศรัทธาที่เรามีก็แล้วกันครับถ้าท่านเป็นพระไม่ดีอย่างเงี้ยมาขอมาอะไรเราก็ให้ตามที่เราพอจะให้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ ในกรณีนี้ถ้าเราทราบมาก่อนว่าพระองค์เนี่ย ไ, ไม่ดีไม่ดีแบบแน่ชัดอย่างเงี้ย อ, อ, อย่างนี้เราถ้าเราปิดประตูบ้านเราไม่สนใจไม่ต้อนรับอย่างเงียเราจะเป็นอกุศลไหมครับท่านนี้เป็นอกุศลแน่นอนก็ทำหน้าที่เราไม่ถูกคือการมาเยือนของพระเนี่ยอย่างน้อยก็คือถ้าสมมติองค์นั้นยังเป็นพระอยู่นะยังไม่ผิดประรชิกสนะี่นะเรืได้ตรวจสอ บ, บแล้วว่าท่านยังไม่ผิดอย่างเงี้ยนะ ก็ยังมีความเป็นพระอยู่อย่างน้อยก็ทําหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำแหละเกิดมาต้องพูดในฐานะพระก็เพราะว่าครับบางทีไม่ได้รับการต้อนรับนะพระที่ไม่ดีซึ่งเราก็ไม่แน่ท่านก็อาจจะต้องมีส่วนดีบ้างเราก็ต้อนรับขับสู้ในฐานะที่เราพอจะต้อนรับได้ให้น้อย<ม>ให้มากก็ให้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ให้เลยอ่ะแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เรายกย่องท่านปฏิบัติบริบัติชอบจริงอันนี้เราก็คอยถวายมิสถานมากตามที่เรา สอเห็นสมคู่กันนะนะแต่ถ้าเป็นกรณีที่แบบเหมือนชายห่มผ้าเหลืองที่มาถือบาทของเงินคือทราบแน่ชัดว่าไม่ใช่พระคือไม่ได้อยู่ในศีลทำวิเนียอย่างเงี้ยอย่างนี้เราปฏิเสธได้ใช่ไหมครับอ๋อก็อันนั้นไม่ใช่สมดาหรอกถ้าเรารูอ๋อครับเีนี้รตรงนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีการมาเรียรายใช่ไหมครัแล้วก็อาจจะปลอมบวชมาชซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเรารู้หรือเปล่านะ เพราะฉนั้นการคอยอาถวรยอาภิสถานตรงนี้ไม่ปิดประตูเนี่ยก็ทําได้ในระดับที่เราทําได้อาจจะให้เศษสตังไปหรือว่าต้อนรับแค่แป๊บเดียวบอกมีพระอยู่อะไรต่างๆก็คือมันต้องมีทางออกได้นะเข้าใจไหมคือคนพาเนี่ยเราไม่ควรยุ่งใช่ครับแต่ถ้าคนพานมาในรูปของพระเราทำไงเราก็ทําหน้าที่ที่เราปฏิบัติต่อสมณะนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เราเสียหน้าที่ไม่ให้จิตของเราเป็นอกุศลอย่างน้อยเราอย่างต่ำ ถ้าคนการมาในรูปของพระนี่มันจะทํำยังไงก็ต้องทําหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติกับพระนิดหนึ่งแล้วก็หลีกเลี่ยงคนพ่านจะแค่นั้นเองเราจะรู้ได้ไงว่าท่านเป็นคนอย่างนั้นก็คือหน้าที่ของพระเนี่ยต้องห้ามเสียจากบาสใช่ห้ามคนกระวาดเนี่ยเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้มีหกอย่าง จะเห็นว่าหน้าที่ของพระที่มีต่อคราว่าต์เนี่ยมีหอย่างนะแต่หน้าที่ของคราว่าต์มีต่อพระมีแค่ห้าอย่างอันนี้ค <c oughs> รูเจ้าก็แ ห, หมไว้อย่างละเอียดละออนแยบยบคายมากอันนี้คือเรื่องของที่ั้งหซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนแต่งงานแล้วคุณต้องมีทีนี้ที่ประเด็นที่อาจจะมาพูดถึงว่าคนที่ไม่มีภรรยาหรือสามี แล้วก็หรือว่าภรรยาสามีเราเลิกกันไปแล้วฉันมีชีวิตอยู่คนเดียวบุตรเราก็อาจจะไม่มีถ้ามีบุตรกุลก็ทําหน้าที่ของมารดาบิดาอย่างที่เราได้พูดไปตอนที่แล้วใช่ไหมใช่ครับทีนี้เราต้องมีเพื่อนเราต้องมีเพื่อนนะเพื่อนที่พูดไปเมื่อสักครู่ตอนแรกเนี่ยของรายการเนี่ยคือแค่คร่าวๆห้าอย่างครนะหน้าที่ที่เราจะต้องมีนะกับหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะคือให้ปันผู้จารภัยรับประพฤติประโยชน์บางตนเสมอการไม่กล่าวทําเป็นเครื่องให้แตกกัน ช่วยเหลือเขาย้ามีไผ่เป็นที่พึ่งไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายและตือสมาชิกของเขารักษาเขาผู้ประมาทแล้วก็รักษาทรัพย์ของเขาผู้ประมาททีนี้นพระพุทธเจ้าเคยอธิบายขยายความตรงส่วนเนี้ยให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปนว่าคนที่จะต้องมีเพื่อ น, นคือคนโสดก็มีเพื่อนแบบนี้ได้คนแต่งงานแล้วก็มีเพื่อนอย่างที่จะพูดต่อไปนี้ได้นะ ค, คือเพื่อนชั่วก่อนเอาเพื่อนชั่วก่อนเพื่อนชั่วเนี่ยมี4อย่าง นะคือคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางชิบหายคนปอกลอกเป็นยังไงเราจะดูนะว่าคนไหนเป็นคนปอกลอกเนี่ยนะ เ, เราดูได้เลย <Hey. S 1> เขาจะมีคุณสมบัติ4อย่างนี้นันคือคิดคจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวอย่างที่ 2, 2> ค, คือเสียให้น้อยคิดเอาให้มากมันจะมาเอาแต่อย่างมันจะมาเอาแต่จากเรานะแล้วอันที่สคือไม่รับทํากิจของเพื่อนคราวมีภยัยเวลาเรามีภัยอย่างเงี้ยเขาไม่ช่วยนะอันที่4ี่ก็คือคบเ พ, อเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว บางคนมาคบเราเพราะว่าเรามีผลประโยชน์เราสามารถตัดสินใจการงานตรงนี้ได้มันมาคบกับเราอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนบอกลอก<ม>เวลาเราออกจากตําแหน่งแล้วมันไม่เคยมาแยแสเลยนั่น<ม>เพื่อนบอกลอกอย่างนี้นะอันท<ม>ี่สองคือดีแต่พูด<ม>นะเพื่อนดีแต่พูดเป็นยังไงเก็บเอาของเก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราศัยพูดแต่เรื่องเก่าๆอ่ะโอ้ยสมัยนะั้นฉันเล่นอยู่ที่นะั่นฉันเป็นอย่างนี้นะนี่เธอจําได้ไหมเนี่ยเพื่อนดีแต่พูดนะสองอ้างเอาของที่ยังมาไม่ถึงมาปราศัย นุนเดี๋ยวจะเอามาคืนให้เดี๋ยวเอาเอาอันนี้ไปก่อนนะที่นุนจะต้องเป็นอย่างงี้แน่อย่างงั้นแน่เลยอันนี้ดีแต่พูด<ม>อันที่สสงเคราะห์ด้วยสิงหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้เราเคยพูดไปแล้วเนี่ยเราต้องการ อ, าอย่างลบอย่างเงี้ยมานเอานปากกามาให้ เ, <c oughs> เราเราต้องการอย่างสมมุติในคราวที่มีภัยเนี่ยฉันต้องการ <c oughs> าถุงทรายในการที่จะม า, เ, าเขาเรียกว่ามาป้องกันน้ําท่วมอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับเขาเอาเอ่ตงุงพลาสติกมาให้อย่างเงี้ยอ่ตงุงพลาสติกมันก็อาจจะมีประโยชน์ใช้ได้บ้างนะแต่เราเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้สงสัยคนนี้ดีแต่พูดสงคเคราะห์ด้วยสิ่งหายประโยชน์ไม่ได้นะแล้วอันที่4ี่ของเพื่อนดีแต่พูดเนี่ยคือเมื่อเกิดสิกิจเกิดขึ้นนะที่จะต้องทําเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องออกปากพึ่งไม่ได้เวลาเรามีเรื่องมีราวอย่างเงี้ยเฮ้ยมีสถานการณ์เร่งด่วนเออมันชิ่งห น, งนีโทรไม่ติดโทรไม่รับนะมีข้ออ้างต่างๆนันๆไม่ช่วย เนะีเพื่อนพวกนี้เลิกคบไปเลยนะอันที่สองอันที่3เพื่อนที่3คือพูนหัวประจบนะคือตามใจเพื่อนให้ทําความชั่วคือจะชั่วก็คล้อยตามตามใจเพื่อนให้ทําความดีจะดีก็คล้อยตามดีชั่วมันไม่เคยพูดเลยมันคล้อยตามเราหมดอันนี้เพื่อนหัวประจบแล้วก็ยังมีอีกคือต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาเนะีเพื่อนพวกนี้หัวประจบต่อหน้าเนี่ยพูดอย่างดีเลยโอ้ท่านเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือไม่ใช่แค่เพื่อนอย่างเดียวนะรวมถึงคู่ค้าอามาทั้งหลายแหล่ด้วยนะ อย่า ง, างสมมติคุณรัฐราชกรารอย่างเงี้ยมีคนมาติดต่อ ง, งานประมูลคนนั้นเป็นอมานเรานะคนที่มาประมูลเนี่ยเขาคบแต่ส่วนดีของเราไหมอย่างเช่นว่าครบเพราะเห็นแก้ประโยชน์ส่วนตัวไหมไอ้พวกนี้เพื่อนบอกลอกอมานคนนี้เป็นอามานบอกลอกต่อไปอันที่สี่นะเพื่อนชักชวนในทางชิปหายนะชวนให้ดื่มน้ําเหมาชวนใ ห, ให้เที่ยวตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืนชวนให้เที่ยวดูมารศ แล้ก็ชักชวนในการเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งความประมาทอย่างพวกคอนแทคเตอร์ hmm. เนี่ยมาประมูลงานราชการเนี่ย mm hmm. เขาพาคุณไป <Yeah. S 1> ดื่มกินอันนี้เพื่อนชักชวนในทางชิบหายแล้วแถมว่ามันคบกับเรานี่เพราะว่าเห็นประโยชน์ในการที่จะประมูลงานอันนี้เพื่อนปลอกลอกด้วยแล้วก็พูดถึง mm hmm. แต่สิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะเอาเงินมาให้จะเอาเงินมาให้ น, ใหนั่นฉันประมูลโปรเจกต์นี้มาประมูลโปรเจกต์นี้มาอันนี้เพื่อนดีแต่พูดด้วยนะจะดีจะชัว mm ่ว hmm. เขาคล้อยตามเราไม่เคยบอกเลยว่าอันนี้ดีอันนี้ชัว่วอันนี้ก็ยังเป็นคนหัวประจบอีกาห โอ้โหคบเครื่องแบบความไม่ดีเลยนะครับชั่วมากๆเลยพวกคอนแทคเตอร์เนี่ยนะถ้าผมว่าไปติดตอราชการอย่างนี้ใช่ถ้าสมมุติคุณอยู่บริษัทเอกชนก็แล้วแต่นะมีคนมาติดต่อคุณด้วยลักษณะนี้คุณอย่าไปคบเขาถึงจะเป็นอมาดก็ยังเป็นอมาดที่ไม่ดีอมาดนี่คือหมายถึงคู่ค้านะถ้าคู่ค้าเนี่ยเขาจะต้องอนุเคราะห์เราด้วยการให้ปันพูดจาไพเราะประพฤติประโยชน์วางตนเสมอกันไม่กล่าวคำเป็นเครื่องให้แตกกันอันนี้ถึงจะดี ไม่มีข้อไหนเลยนะที่ชวนไปกินเหล้าไม่มีข้อไหนในฐานะชวนไปไปเที่ยวกลางคืนคบางนะตนเสมอกันนี่คืออะไรสมมติเขาเป็นคู่ค้าเขาต้องวางตนเสมอในฐานะที่เขาเป็นคู่ค้าเข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าอาชวนไปกินเหล้าหรือว่าพูดแต่ของที่ร่วมไปแล้วมาเอามาพูดนะแล้วด้วยการประพฤติประโยค์คุณปีหนะ้าที่คู่ค้าคุณต้องทํากิจการงานของคุณอย่างดีที่สุดมันก็ต้องเป็นหน้าที่ตรงนั้นเท่านั้นเองทีนะี้ต่อไปเพื่อนดีเป็นยังไงเพื่อนที่มีอุปการะอันที่หนึ่ง มีสี่อย่างเพื่อนมีอุปการะเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนแหนประโยชน์เพื่อนมีความรักใครในเพื่อนมีอุปการะก็คือว่ารักษามิตรผู้ประมาทเวลาเราประมาทเนี่ยหรือว่าเวลาเพื่อนเราประมาทถ้าเราไปรักษาเขาเฮ้ยคอยเตือนเพื่อนนะเฮ้ยเพื่อนเธอพูดไม่ดีแล้วนะเธอไปประท้วงไม่ถูกนะเธอมีครบเพื่อนชั่วแล้วนะอย่างนี้ไม่ถูกรักษาทรัพย์ของเขาเวลาที่เขาประมาทด้วยรักษาทรัพย์ของเขาเวลาที่เขาประมาทอย่างเช่นว่าเฮ้ยเธอฉันจะเอาเงินไปลงทุนตรงนี้ เรารู้อยู่แล้วว่าบริษัทที่เขาจะไปลงทุนเนี่ยมันเป็นของปลอมมันเป็นหลอกเฉยๆเนี่งเช่นเดี๋ยวนี้เขามีการไปซื้อทองใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นหรือว่าลงทุนในหุ้นแชร์อย่างเงี้ยแชร์แชร์ลูกโซ่เยครับเขาจะเอาเงินไปบอกมันบอกเราว่าเขาจะเอาเงินไปลงตรงนี้แล้วเราเราก็คอยเตือนเขาว่าเฮ้ยอย่าทําอย่างนั้นเลยไม่ดีหรือว่างั้นเธอจะมาลงทุนใช่ไหมเอาเงินมาเดี๋ยวฉันเก็บให้อย่าไปลงทุนแล้วกันแต่มาคอยเก็บให้อันนี้เราจะเป็นมิตรผู้มีอุปการะ ครับในอย่างเป็นต้นคือบางทีความโลภมันเข้าตามัใช่ครับมันมันอยากได้เงินมากมันหวังกามากเนี่ยมันก็จะคิดไปลงทุนนั่นนี่นะโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวการย์หน้าที่ดทีนะของเพื่อนที่มีอุปการะเนี่ยคือเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพํานักได้แล้วก็เมื่อมีกิจจำต้องทำนะทำเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นให้สองเท่า เข้าใจไหมอ่าอย่างเมื่อมีกิจที่จะต้องทําเกิดขึ้นนะเพิ่มเป็นสองเท่านี่คือเพื่อนมีอุปการะครับช่วยมากกว่าตอนปกติใช่ใช่อย่างเช่นเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเนี้ยครับมีเพื่อนบางคนนะแหมที่ดีอ่าอ้าวเจอจะไปต่างจังหวัดแล้วเอานี่ไปกินแล้วนี้ไปกินแล้วอนี้ไปฝากคนนั้นด้วยแล้วก็นี่เผื่อไว้ให้ลูกให้เต้าด้วยเผื่อระหว่างทางเอานี่น้ําไปอีกโอ้โหเพื่อนอย่างเงี้เป็นเพื่อนดีนะมีอุปการะครับอย่างเงี้เป็นต้นนะ อย่างสมมุติเราจะกลับบ้านต่างสมบัติไปเยี่ยมแม่อย่างเงี้ยเขาแหม่สรรหาไอ้นั่นอันนี้มาให้เราด้วยความที่พ่อแม่อ่าใช่ใแต่ถ้าเขาสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ดีแต่พูดนะอ๋อเข้าใจนะเราต้องดูตรงนี้ดูให้ออกแล้วก็เพื่อนอย่างที่สองนี่คือเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขนี่คืออะไรมีสี่คุณสมบัติคือเขาจะต้องบอกความลับแก่เพื่อนคือเรามีความลับเนี่เราบอกกันแต่เราก็ปิดความลับของเพื่อน ความลับของเพ grasp, <S <s <S yeah> ื่อนเราก็ไม่พูดออกไปสมมติว่าอย่างสมมติเราไปชอบคนนี้เรามาบอกความลับของเรากับเพื่อนคนนี้อย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันเที่ยวไปประกาศหมดเลยว่าฉันไปชอบคนนั้นมันก็เลยทุกทุกคนในที่เป็นหมู่เพื่อนรู้กันหมดเลยว่าฉันไปชอบคนนี้อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าอันนี้ปูดความลับของเราแล้วแส่งว่าเพื่อนคนนั้นไม่ใช่เพื่อนร่วมทุกร่วมสุขเป็นเพื่อนหัวประจบต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทา อย่างนี้เป็นต้นนะไม่เหมาะครับออันนี้ข้อที่สามก็คือว่าไม่ละทิ้งในเหตุมีอันตรายนะคือเวลามีอันตรายเนี่ยเราไม่ละทิ้งเพื่อนคือว่าตรงนี้เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างที่พูดในเรื่องที่ตั้งหกข้อหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายก็คือตรงนี้นี่แหละนะแสดงว่าคนเนี้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็แม้ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้คือชีวิตก็สละกันได้ อย่างเวลาเราไปรบในสนามรบอย่างเงี้ยใช่ครถูกยิงขาเฮ้ยตายแล้วเขาก็ไม่ติงเราขณะเขาก็ถูกยิงกระหนาบอยู่มาตลอดอย่างเงี้ยนะบางคนสละชีวิตเพื่อที่จะกดปุ่มระเบิดเพื่อให้ระเบิดศัตรูตัวเองก็ตายไปด้วยเพื่อป้องกันเพื่อนทั้งหมดอย่างนี้เราก็เคยเห็นนี่แสดงว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอับนนี้พริเจ้าสอนนะอันนี้ส่วนมิตรประเภทที่สามคือมิตรแหนประโยชน์ที่เป็นมิตรดี ก็คือห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีมีสองอย่างห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีแสดงว่าเพื่อนแบบเนี้เหมือนพ่อแม่เราเลยนะคือสมมุติถ้าเราพ่อแม่เราเสียไปแล้วถ้าหน้าที่ของพ่อแม่หนึ่งในสองในห้าอย่างก็คือว่าห้ามเสียชบาให้ตั้งอยู่ในความดีเพื่อนแหนประโยชน์เนี่ยก็จะห้ามเราจากความชั่วแล้วก็ให้เราตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้อันนี้เหมือนพระเลยหน้าที่เหมือนพระเลย4ี่อย่าง พนะระมีหน้าที่6อย่าง6อย่างใช่ไหมสีอย่างนั้นจะเหมือนกับเพื่อนแหนประโยชน์ตรงนี้เลยนะถ้าเรามีเ<อ>พื่อนคนไหนที่ทําหน้าที่นี้แนะสียงว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนแหนประโยชน์กับเรารหรือว่าถ้าเราทําสิ่งนี้กับเพื่อนคนไหนเราก็เป็นเพื่อนที่แนะประโยชน์กับเขาแล้วก็อย่างที่4ี่นะเพื่อนประเภทที่สีที่เราต้องมีคือเพื่อนมีความรักใคร่เพื่อนมีความรักใคร่มีคุณสมบัติอย่างไรพระพุทธาบอกว่าไม่ยินดีด้วย ด้วยความเสื่อมของเพื่อนสมมติเพื่อนเสื่อมลงไปเพื่อนแย่ลงเนี่ยเราก็ไม่ยินดีกับเขาเข้าใจไหมคือเสียใจกับเขาอย่างสมมติมีลูกศิษย์ลูกหาหรือเพื่อนของเราเนี่ยโอ้ยมีชีวิตแย่ลงคา้คาขายขาดทุนนะแล้วก็รูปโชมก็ทำไมเสื่อมโทรมไปอย่างนี้เราก็ไม่สมน้ำน้าเขาแต่เรารู้สึกเสียใจไปด้วยอ่าเรามีความรักใค ร, ครแล้วก็ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน ถ้าเขาดีขึ้นเราก็ยินดีด้วยแล้วก็ห้ามคนที่มากล่าวโทษเพื่อนถ้าใครจะมากล่าวโทษใครจะมาพูดไม่ดีกับเพื่อนเราคนเนี้ยเราก็ห้ามเขาแล้วก็สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเรียกว่าถ้าเป็นคนโสดนะหรือคนไม่โสดก็แล้วแต่ถ้าเรามีมิตรละมิตรสี่อย่างนี้คนปอกลอกคนดนีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางชิบหายเลิกครบ คนไหนมีอุปการะร่วมทุกข์ร่วมสุขแหนประโยชน์มีความรักใคร่ไม่ว่าเขาจะเป็นลูกศิษย์เราเป็นนักเรียนเราเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระชาพระสงค์เป็นเพื่อนคู่ค้าเป็นอาํามตะถ้ามีคุณสมบัตสิสอย่างนี้นะเป็นคนมีอุปการะร่วมทุกข์ร่วมสุขแหนประโยชน์มีความรักใคร่เราควรจะคบกับเขาไว้เป็นเพื่อนซะจะ<ม>เห็นได้ว่ า, าอย่างหน้าที่ของภรรยายอย่างเงี้ยหรือสามีอย่างเงี้ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหน้าที่ของสามีใช่ไหมคือ ยกย่องไม่ดูหมินนะมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้พวกเนี้ยปรากฏว่าเพื่อนก็มีนะเช่นเพื่อนที่ไม่ดูหมิ่นเนี่ยก็คือเพื่อนมีความรักใคร่นะเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็เพื่อนผู้มีอุปกรรณ์นะแล้วก็อฮอครับอย่างอย่างมุมนี้ในกรณีคู่ที่แต่งงานกันพออายุมากๆคือเรื่องเรื่องของ การอะไรอย่างเงี้ยกามราคะมันลดน้อยลงละหมายว่าต่างคนต่างอายุหกเจ็ดสิบเนี่ยก็จะบอกว่าอยู่กันเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะมีข้อธรรมข้อนี้มาสวมทำได้ใช่เช่นแล้วก็ในกรณีของภรรยาถ้าเราไม่มีภรรยาอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายที่ไม่มีภรรยาถ้าคนไหนนะเขาตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่นั่นก็เป็นเพื่อนที่ดีนะก็คือเพื่อนที่มีอุปการะคือรักษาทรัพย์ของเพื่อน อย่างนี้นะ<ช>ถ้าเราเป็นผู้ชายชมีผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนอื่นที่เข้ามาช่วยรักษาทรัพย์ของเราเขาทำหน้าที่ของปรยาส น, นึงแล้วก็ถ้าขยันขันแข่งในหน้าที่ทั้งปวง<ม>ก็เป็นเพื่อนที่มีอุปการะาคือเมื่อมีใครก็พึ่งความนักพิงได้<ม>ส่วนส่วนผู้หญิงนะถ้าไม่มีสามีนะถ้ามีใครที่มายกย่องไม่ดูหมิ่นเราแล้วก็ทำสองหน้าที่นี้ก็ชื่อว่าเราก็มีเพื่อนดีละไม่จำเป็นต้องมีสามีมก็ได้ ครับคือตรงเนี้มันมันละเอียดนิดหนึ่งว่าสมมติมีคนมายกย่องเราไม่ดูหมิ่นเรานจะทำใหเรามีความรักในคนคนนี้อพอเรามีความรักในคนคนนี้เราก็จะเริ่มถูกละโอ้ยฉันอายุเท่านี้แล้วฉันจะรักเธอได้เหรอเหมือนหรือผู้หญิงไม่อายุมากเงี้ยไปคบผู้ชายมีอายุน้อยโอ้โหผู้ชายปากหวานเหลือเกินเขาบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะพอคบเธอแล้วก็เหมือนกับเวลาหยุดหมุนโลกหยุดหมุนโอ้ยอืมพวกเนี้ยนะครับคือแสดงถึงปัญญาของคนพูดนะมาลัตพงนี้ออกไหม นี่ก็ครับบอกว่าชีวิตนี้ฉันขาดฉันขาดใครไม่ได้เลยนอกจากเธอมันจะแสดงถึงปัญญาของคนพูดนะว่าคนพูดปัญญาไม่ค่อยมีดพรนั้นเราอย่ามาคบเป็นสามีหรือว่าเป็นอะไรที่มันจะลึกซึ้งไปกว่านั้นคือเรื่องของความเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันไม่ใช่ความลึกซึ้งนะเอเพื่อนเนี่ยจริงๆถ้าเพื่อนคบกันแบบอย่างที่อาตมาพูดมาที่บุญชาพูดมาเนี่ยนะมันยิ่งลึกซึ้งกว่าความเป็นสามีภรรยาด้วยซ้ํา บางทีภรรยาเราหรือว่าสามีเราเนี่ยเราไม่สามารถบอกความรับกับเขาได้โดยซ้ําเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติของเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอืบอกความรับก็ไม่ได้ปิดความรับของเราก็ไม่ได้โอ้ยไม่รู้จะทำไงทุกเปล่าแต่สู้ไปมีเพื่อนอย่างนั้นจะดีกว่าเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขนะไม่ย่อท้อจริงในเรามีอันตรายในเวลาเราเศร้าใจเสียใจมาเขาก็รับฟังเราใช่ไหมคอยตักเตือนเราเวลาที่เราประมาทนแล้วก็เวลามีกิจให้ก็ยังเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วเราไม่ได้มีเพื่อนคนเดียวก็จะมาปรมาทเาสมอง แต่อย่างคู่ครองเนี่ยเรามีได้คนเดียวหรือถ้าคุณจะมีหลายคนคนนี้ต้องรับรองเลยนะต้องเป็นคนที่ธรรมารักษาอย่างที่เราพูดไปในตอนที่แล้วใช่ครับแต่เพื่อนเรานี่มีได้หลายคนเพราะอาจามาจึงขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่เป็นคนสดแล้วก็มีเพื่อนดีเพราะว่าเรามีเพื่อนดีได้หลายคนเข้าใจไหมเอาแล้วถามว่าความรู้สึกทางเพศหระความต้องการทางเพศเราจะทํำยังไงมีบางคนก็บอกผู้หญิงที่เขามีเป็นโรคอะไรนะมารดพงที่มีความต้องการทางเพศมาก ฮิสเทียอะไรประมาณนี้นะหรือว่าผู้ชายที่มีความต้องการทางเพศสูงนะมันต้องมีคู่คใช่ไหมเขาจึงเข า, เข า, เข า, เขาอาศัยเหตุนี้ในการที่เขาจะต้องแต่งงานนะเพื่อมีคู่ว่<อ>ามาบอกไร้สาระมากที่สุดในวงการแพทย์เนี่ยพอเขาไม่รู้อะไรนะเขาก็อุปโลกอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในตอบปัญหาที่เ็าไม่รู้อย่างเช่นว่าเขาไม่รู้เรื่องสมาธิอย่างเงี้ยเขาก็บอกอันนี้เป็น unconscious mind เขาไม่รู้ว่าในวิธีการที่จะจัดการกับภาษาตาหูจมูกลิ้นไกย่ยสจเขาก็ไปกล่าวหาเด็กคนนั้นว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กมีสมาธิสั้น ADHD แต่เขาไม่รู้ว่าคนนี้มีวิธีการจะจัดการกับการมราคะความต้องการทางเพศอย่างไรเขาแบบว่าไอ้คนนี้เป็นฮิสตีเรียครับแล้วไปพิจารณาเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรต่างๆมันก็มาจากจิตนั่นแหละใช่ครับเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ย ค, คุณจะต้องควบคุมความต้องการทางเพศของคุณตรงนี้ให้ได้ ไม่ว่าคจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันไม่ใชไ่ไม่มีวิธีการอย่างพระสงฆ์เอาพระสงฆ์เป็นผู้ชายนะแล้วผู้ ช, ชายที่มีการราคขากล้ามามาบวชมีไหมมีแล้วพระสงฆ์งมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้นะจับต้องการหญงก็ไม่ได้อาละพระสงฆ์อยู่กันยังไงอืมครับต้องใช้ตั้งแต่วันแรกที่คุณ บ, บ, บวชจนถึง ค, ความเป็นพระอยู่ตรงนี้คุณบวชกี่ปีคุณก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เท่านั้นต์ปีแต่ว่าคุณเป็นคนโสดคุณยังยินดีด้วยทองและเงิน นายยังไปกินข้าวตอนเย็นได้ไปคลับบิ้งได้อะไรต่างๆได้แต่คุณไม่มีคู่ทํำไมจะอยู่ไม่ได้ข้อที่จริงตรงนี้คืออะไรรู้บ้าหมอแล้วเถอะผมคือว่าอะไรครับท่านถ้าเราเสพสิ่งใดๆมากจิตเราก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอืมบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะว่าสมมติคนคุณดูสือรามกเงี้ยซื้อหนังสือพิมพ์มาฉบับหนึ่งโอ้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เดี๋ยวนี้มันมีรูปผู้หญิงเกือบจะเปลืยกายอยู่หน้าปกเลยดูพอเราดูรูปนี้เราก็มีความกําหนัดเกิดขึ้น มีความกำนังเกิดขึ้นมันก็มีความต้องการทางเพศเกิดขึ้นมีความต้องการทางเพศเกิดขึ้นมันก็ต้องไปหาเสพใช่ไหม mm hmm. หาเซฟมันก็จะเป็นเรื่องละเพราะฉะนั mm ้น hmm. สิ่งที่เราต้องทําในฐานะของคนโสดเพื่อที่ต้องการควบคุมตรงนี้เนี่ยนะคืคออาตมาอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นการ์มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณไปกินข้าวเย็นคุณไปนั่งคลับคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อเสพการ์มนะคุณมีความสุขบนเตียงคุณนอนเตียงนุ่มๆโดยที่ไม่มีใครนอนข้างๆก็ตามพวกนี้เป็นการมเสมอกันหมด เพราะฉะนั้นว่าคุณจะหักไปอันหนึ่งโดยการหักความมีเพศสัมพันธ์ออกไปทําไมจะไม่ได้ทําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารจะสามารถที่จะควบคุมอิจฉะของเราได้คุณต้องมีการสรํารวมอินทรีย์สื่อละมกอย่าไปดูนะอะไรที่จะทําให้จิตเราน้อมไปทางนั้นคอยหลีกเลี่ยงคอยปกปก็ปกป้องคอยป้องกันแล้วคอยหาเพื่อนดีนะที่จะเราทําให้เราไปสู่ในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะทำบุญสร้างกุศลฟังธรรมพวกนี้เราจะควบคุมไอ้การมราคะ ความต้องการตรงนี้ได้อแล้วก็การนอนเตียงใหญ่ๆสมมุติบางคนเนี่ยนอนเตียงที่นอนเขาเรียกว่าดับเบิลเบสันนะนอนเตียงคิงไซส์อย่างเงี้ยนอนเตียงคิงไซส์แล้วนอนคนเดียวเตียงต้องเบรมนะแล้วมันก็จะมีความคิดว่าโอ้ไม่มีใครมานอนข้างเราเลยเหงาจังโถ้ยคุณยุงไปซื้อเตียงเล็กๆมานอนสิเล็กๆเออเตียงเดียวซิงเกิลเบสซื้อมานอนสบายใจที่สุดพระสงฆ์นอนยังไงพระสงฆ์นะหมอรัตพงศ์นอนเตียงใหญ่ก็ไม่ได้ คือคือหนาก็ไม่ได้คือเตียงหนานี่เลิกพูดไปเลยนอนไม่ได้อยู่แล้วสมมุติเตียงเตียงทําด้วยไม้เตียงบางๆอย่างเงี้ยเตียงอ่าเตียงแข็งๆเอาแต่ถ้าเป็นเตียงใหญ่นอนได้สองคนก็ห้ามพระนี่นะยังไม่มีหมอนข้างห้ามมีหมอนข้างด้วยซ้ำหมอนข้างต้องห้ามยาวเกินหนึ่งศอกถ้าจะมีมีได้แค่นี้อ๋อคือหมอนข้างไว้ก่อนเนี้ยพวกบางบอกว่านอนกอดหมอนข้างเหงาจังเลยโถ่ก็ทิ้งหมอนข้างไวปสิ ทิ้งหมอนข้างไปไม่ต้องมีหมอนข้างแล้วนอนเตียงแค่ซิงเกิลเบดพอนอนคนเดียวแล้วเราหาความสุขอย่างอื่นที่เป็นความสุขของคนบริพกกรรมทั่วไปครับเข้าใจเนาะเราจะเพลงอะไรอย่างงี้ดูหนังฟังเพลงแล้วก็ทาไปในลักษณะที่ยังจะอยู่ในศีลและธรรมได้ครับเราจะสบายอยู่ได้ในลักษณะของเป็นคนโสดแล้วก็เรื่องของความรักบางคนมีคนมาจีบ นะอายุน้อยกว่าอายุมากกว่าหรือแอแล้วแต่เหมือนแบบวิธทำไมมีความรู้สึกที่หัวใจมันเต้นตุบๆเวลาเจอคนนี้<ล>าราให้ได้นะเราหาวิธีอื่นในการหาความสุขเอาซะเป็นช้างมาตังค์<ล>คะนึกถึงเรื่องของนอนเอาไว้คือเราคนนั้นที่มาคบกับเราเนี่ยนะเราไม่ต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นเขาก็ได้เราครบเขาเป็นเพื่อนก็ได้ เขามีคุณสมบัติของความเป็นคนดีไหมถ้าเขามีคุณสมบัติของความเป็นคนดีนะเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีอุปการะมีความรักใคร่เราเป็นเพื่อนกันได้ครับอไม่ต้องแต่งงานก็ได้ครับคือไม่ต้องแต่งงานเลยบ้างไหมเตอร์อครับใช่เท่าที่พบดูเหมือนกับเพื่อนที่ดีเนี่ยคบได้ยืดยาวแล้วก็แบบคบกันจนถึงตายมากกว่าคู่ครองนะครับใช่ใช่ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เราต้องเอาตัวรองให้ได้ แตเพราะนั้นเราไม่ได้มีไอ้หมอหนี่หมอเดียวหรือไม่ได้มีคนนี้ค น, น, ค น, นเดียวผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่เราจะค บ, ครบเราต้องหาเพื่อนคนอื่นด้วยไงสมมติหมา ค, คนนี้เข้ามาจีบเรารแต่พอเขาก็เป็นคนดีนะจะคบกับเขายังไงดีคุณต้องหาเพื่อนคนอื่นมาคอยบาลานซ์กับตาหมอหนี่เข้า<อ>ใจไหมว่าไม่ให้หมอนี่คคมาดึงเราไปทั้งหมดเพราะว่าเวลาเขาดึงไปเนี่ยเขาจะไม่ดึงอะไรนอกจากการตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะดึงเราด้วยตรงนี้เขาจะพูดคำหวานๆในไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงล่ะ ผู้หญิงก็พูดหวานได้ผู้ชายก็พูดหวานได้พูดแล้วมันก็จะกระเทือนใจแมมใจสั่นเลยสั่นรัวเลยเวลาจีบกันนะนะพอเป็นอย่างนี้แล้วแต่ว่าเขาก็เป็นมีสัญลักษณ์แห่งความเป็นคนดีนะเราจะเอาตัวรอดอย่างนี้ไงเราต้องมีเพื่อนคนอื่นนะที่คอยอร่วมทุกข์ร่วมโศกนะห้ามเราจากความประมาทนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นของคุณตรงนี้เนะี่ยเป็นการแล้วนะเป็นความรู้สึกที่เป็นความกำหนัดรักใครยินดีแล้วควรละเสียนะคุณต้องคอยเตือนตรงนี้ แล้วอย่าเอาเรื่องพวกนี้ไปปรึกษาพระเพราะว่าพระก็จะต้องเชียร์ให้คุณไม่แต่งงานกันแค่นั้นเองหรือว่าถ้าคุณยังไม่แต่งงานกันเราก็ต้องเชียร์ว่าคุณอย่าแต่งงานกันหรือถ้าคุณแต่งงานกันอยู่แล้วแล้วมีคนอื่นมาจีบเราก็ต้องเชียร์ว่าคุณอย่าเลิกอย่าไปสนใจหมอนั่นครับเป็น standard answer เลยเพราะฉะนั้นอย่ามาปรึกษาพระเรื่องนี้เราก็จะตอบอย่างที่เราจะตอบนี้เพราะเราต้องมีเพื่อนคนอื่นอืมครับพระลําบากใจครับ่เออนั่นแหละเพื่อนที่ดีนะ ไม่ให้ห้ามเราเสียจากบาปตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เป็นบาปเวลาหัวใจมันเต้นตุบๆๆๆแล้วเวลาเหมือนมีคนมาพูดหวานๆใส่เราเนี่ยนั่นแหละคือบาปใช่ครับนั่นคือบาปเป็นอกุศลนะใช่โอครับเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรนั่นคืออะไรนั่นคือกามความกำหนัดรุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีในทางหูนั่นแหละมันจะดึงเราให้ต่บ ครับแล้วถ้าเราครบเพื่อนนะคือหมายถึงว่าคนที่มาจีบเราเนี่ยจะเป็นผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเขามาจีบเราเขาแต่เขาเป็นคนดีนะแต่เราครบเขาในลนักษณะที่เป็นเพื่อนดีสอย่างเป็นเพื่อนมีอุปการะเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนแหนประโยชน์เพื่อนมีความรักใครอันนี้ดีกว่าอือย่าให้มีความกำหนัดรุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีในบุคคล น, นั้นด้วยเหตุที่เขาคํหวานหวานของเขาด้วยเหตุที่เขารูปร่างหน้าตาของเขาด้วยเหตุที่เขาชาติกำเนิดของเขาอย่าให้มีนั่นเป็นบาสนี่คือเรื่องคนโสด คนโสดก็ตามคนแต่งงานแล้วก็ตามก็ต้องทําอย่างนี้เหมือนกันแต่นี้คนโสดเนี่ยไออุปกรณ์เขาเรียกว่าจุดที่จะเพิ่มม า, มากกว่าคนที่แต่งงานแล้วคือคุณต้องหาเพื่อนแบบนี้ให้ได้สำหรับนคนแต่างงานแล้วเนี่ยคุณยังอาจจะอยู่คนเดียวได้จะมีคนดูแลเราได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนโสดเนี่ยคุณต้องหาเพื่อนอย่างนี้นะเพื่อนอย่างเนี้เขาจะทำยังไงไเวลาเราตา ย, ยไม่ต้องห่วงเลยเขาเผาให้เราจัดงานศพให้เสร็จรบสบ<ะ>เห็นเยอะแยะไปนะจริงครับหรือว่าเวลาที่เรา ตายแล้วมรดกก็ทําไงก็ไม่เป็นไรเพื่อนคนนี้ก็จัดการเขาเป็นคนดีนะหรือหลายหลายคนเนี่ยเป็นคนโสดมาอยู่วัดอย่างเงี้ยก็มีซึ่งเราก็ดูแลตรงนี้ให้นนัในลักษณะที่ว่าคอยแนะประโยชน์เกื้อกูลในลักษณะของสมณะกับคนวัดตรงนี้ก็มีแต่ไงก็ตามคุณก็ต้องมีเพื่อนข้างนอกในการที่จะจัดการชีวิตคุณให้ดีครับชีวิตทางโลกแล้วการจัดการกับเรื่องความรักความรักหมายถึงว่าความกําหนัด ลุ่มหลงในบุคคลนะบุคคลคนะ บ, บุคคล น, นี้บุคคลเดียวด้วยความรูปหล่อของเขาความสวยของเธอนะวาจาหวานหวานของบุคคล น, นั้นเขามาจีบเข้าม า, เ, าเขาเรียกว่าคอยเทคแคร์อกเอาใจนะเราต้องเอาตรงนี้ออกไปแต่ถ้าเขาเป็นคนดีเราก็ครบได้ครบในลักษณะเพื่อนอย่างนี้แต่ถ้าเขาเป็นะ ค, คนไม่ดีทําแค่มาหลอกลวงเฉยๆนะดีแต่พูดพูด<อ>แต่ของเก่าๆของใหม่ๆก็ของยังมาไม่ถึงก็เอามาพูด นะสงเคราะห์ที่สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้พวกนี้ก็ชคิดว่าดีแต่พูดทั้งนั้นอครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้คนโสดเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ทีนี้เรื่องของการดํารงชีวิตแผนที่ชีวิตยังไม่จบเนี่ยยังมีหน้าที่นะที่ว่าการจัดการทรัพย์เราจะทํำยังไงนะแล้วก็จิตของเราควรจะดํารงไว้อย่างไรอันนี้เราจะมาพูดกันในตอนต่อไปได้ครับครับตอนต่อไปนี่จะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพย์การจัดการเงิน ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วคุณจะต้องมีการจัดทรัพย์อย่างไรแล้วจิตของคุณคุณจะต้องทำอย่างไรนะอันนี้เราจะมาพูดกันในตอนต่อไปครับใช่ครับการใช้ทรัพย์โอเครับก็วันนี้สมควรแก่เวลาไหมครับท่านแล้วก็ถ้าคำถามใดๆที่ท่านผู้ฟังส่งมาแล้วอ่ะนะที่เรายังติดค้างกันอยู่ คิดว่าเอามาตอบเลยดีไหมหมอและพครับก็มีมีนิดเดียวจากคอมเมนต์จากคุณทิพย์ซึ่งมีเป็นขาประจําของเราแล้วก็ก่อนหน้า น, นี้ที่ตอนที่แล้วท่านบอกว่าท่านมีทุกข์แล้วเราท่านบอกว่าไม่ไม่ใช่ทุกข์ในครอบครัวคือท่านขยายความมาตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นทุกข์ในครอบครัวท่านบอกว่าเป็นทุกข์ที่ทํางานคือมีการยกเลิกแผนกที่ท่านทํางานแล้วก็คือต้องตกงานอะไรทํานองนี้ยแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว มีจิตที่มั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าธรรมะเนี่ยก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ถื อ, อขยายความตรงนี้มาก็เลยต้องขออนุโมทนากับท่านด้วยอ๋อดีดีด ค, ค, คือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีการเ ป, ปริยบธรรมะแน่นอนทีนี้มีคำถามที่ค้างอยู่จากตอนที่สี่สิบห้ากับสี่สิบหกมีคำถามจากคุณมณีนเนตที่พูดถึงเรื่องการบรรลือสียนาศครับผมบรรลืเสียนาเนี่ยหมายความว่ายอย่างไรครับอ๋อ กค็คือการที่ประกาศธรรมะนั่นแหละในลักษณะที่เป็นพุทธประะแล้วเราทําเองเราได้ผลแล้วเราบรรลือออกไปเหมือนกับทุบโต๊ะพูดเลยอยู่ในที่ประชุมอย่างเงี้ยฉันจะเอาอย่างนี้ทุบโต๊ะปึง้งนั่นแหละบรรลือศีอนาตหรือว่าตีกลองใหญ่ๆเราจะประกาศสงครามแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น ค, ค, คุณจะทํางานได้เนี่ยเราต้องปฏิบัติแล้วเราเห็นบนเองแล้วเราพูดต่อไปนะให้ยังธรรมจักให้เป็นไป หรือในอีกนยัยยะหนึ่งที่พระเจ้าเคยพูดถึงท่านพระศาริบุตรเนี่ยมาช่วยบรรลือศีลธรได้ว่ามีคุณสมบัติหกเจอย่างนะเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักต้นรู้จักประมาณรู้จักบริษัทรู้จักการละพวกนี้เป็นต้นนะอันนั้นก็เป็นอีกนยัยยะหนึ่งเหมือนกันแล้วก็<ร><ร>คุณมณีเนตรยังได้ถามถึงการอธิษฐานครั บ, รบว่าถ้าเรารทําบุญแล้วเพื่อให้งานนั้นสําเร็จตามเป้าหมาย โดยไม่อธิษฐานคือหวังเฉยเนี่ยคือโดยไม่ได้เป็นลักษณะแก้บนอย่างเงี้ยเช่นบาให้เงินแก่ขอทานเพื่อเขาได้มีเงินไปซื้อของกินหรือว่าให้เงินเพื่อให้เขาหายหิวโดยไม่คิดว่าเราจะต้องร่าต้องรวยหรือว่าเสียสละแรงงานเพื่อให้เกิดบุญนั้นสําเร็จแต่ไม่ได้ทำเพื่อขอให้มีบริวารมากหรือมีชื่อเสียงบุญที่เกิดจากการอธิษฐานเมื่อทําบุญหรือว่าไม่ได้ขอแต่เป็นการขัดขูดเกล้ากิเลนนี้จะมีความแตกต่างกันหรือไม่ ออันนี้ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนิด น, นหนึ่งก่อนว่ามันจะต้องมีการแก้บนการอธิษฐานนะแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานพูดให้ถูกการแก้บนนี่ก็คือว่าคุณยังไม่ได้ทําอะไรแล้วคุณไปขอเฉยเฉยแล้วสมมติว่าเ อ, อขอให้รวยนะแล้วรวยแล้วเราจะเอาเงินมาทําบุญ น, นั่นติดสินบน <c oughs> ติดสินบนอันนี้ <c oughs> อันนี้คือติดสินบนอันนี้ก็จะจะเป็นการขอเฉยเฉยไม่ใช่อธิษฐานอธิษฐานคือคุณสร้างเหตุนะเช่นมา่า ฉันปฏิบัติตามศีลฉันให้ทานแล้วก็อธิษฐานว่าอ้าวด้วยผลบุญที่ฉันสร้างนี้ขอให้ฉันรวยอันไม่เหมือนกันนะอ่ะ ค, คุณไม่ได้ไ<ม>ท <ำ S 2> ําอะไรแล้วคุณไปขออย่างเดียวอันนี้คือคุณจะต้องแก้บนอันนี้ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรทําแต่ถ้าคุณ<ม>ทําสิ่งดีๆเช่นปฏิบัติธรรมะรักษาศีลเจริญภาวนาศีลเป็นไปเพื่อโพกษาัตพงศาพระพุทธเ้าบอกเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังว่าเราจะต้องได้โพกษ์อันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้มันต้องมีคุณหวังหรือไม่หวังคุณก็ต้องได้อยู่ดีทีนี้ถ้าเราาไม่่อธิษนละ แต่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็ไม่ยปัจจัยครบแต่อธิษฐานนี่คือการที่กําหนด Direct ชันให้เป็นต่างนั้นอธิษฐานคือความตั้งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตของเราจะโฟกัสไปจะซูมไปในเรื่องนั้นอ่านี่คือความแตกต่างระหว่างการอธิษฐานกับไม่อธิษฐานครับการขอเฉยๆนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่เอาไม่ทำนะแต่สร้างเหตุให้ถูกต้องนะด้วยการจะอธิษฐานหรือไม่ก็ได้ก็ได้ทางนั้นอ่ในลักษณะนี้ครับ อ่านี่คือรายการประธรรมที่ถูกปิดเป้าออนไลน์ครับเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากตอนที่ห้าสิบคราวหน้าใช่เป็นเรื่องของการใช้คือไม่ใช่แค่งการใช้จ่ายทรัพย์อย่างเดียวแต่อาจะพูดถึงวงกลมสามวงที่เราต้องดูแลในความเป็นกรวาชเิอร์ดอาจจะตอนที่ห้าสิบแล้วก็ห้าสิบเอ็ดด้วยอาจจะพูดถึงสองโซนสองสองส่วนแต่ จะอธิบายเป็นได a g รมให้ทราบก่อนส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของคนโสดพูดถึงเรื่องของอทิศทั้ง6ในอีกในยะหนึ่งการมีเพื่อนที่ละเอียดละเอียดขึ้นไป<ช>กา ร, รจัดการกับความรักที่เป็นลักษณะของความกำหนัดเพลิดเพลินรุ่มโรยยินดีทาอย่างไ ร, รนี่คื อ, อเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งว่าอย่างถ้าเราไปดูสื่อลามกอย่างเช่นว่า เปิดอินเทอร์เน็ตก็ดูภาพโปช้อปปิ้งเว็บการพ น, นันเว็บไม่เหมาะสมเว็บมินอะไรต่างๆเนี่ยคุณเป็นทางเสื่อมเปิดไม่ปิดกัน้นภาษาอย่างดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตหละสำหรับคนโสดด้วยยิ่งคนแต่งงานนี่ยิ่งจะพลาดหนักด้วยเหตุข้อนี้ ค, คนโสดนี่ยังมีช่องว่างในการที่จะพลาดได้บ้างนะเพราะฉะนั้นก็จะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคุณมรอรัตพง์ครับต้อง กราบน้ำมการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิพุณโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธา น, นีครับและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับมาเชิญป่าทานทู